เกิดจากความโกรธความอึดอัดขัดเคืองขุนเคืองใจไม่สบายใจปัญหาอย่างนี้ใครก็แก้ให้กับเราไม่ได้เราจะต้องแก้ปัญหาที่ที่ตัวงเราเองแต่บางทีปัญหากว่าจะถูกแก้ได้นั้นเราจะต้องติดกับปัญหาติกะอารมณ์ทนารจิตใจหลายวันหลายคืนจนนอนไม่หลับเขาเรียกว่า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 เียอารมณ์นี้ออกจากจิตใจเราหรือดึงจิต ด, ดึงใจเราให้ออกจากอารมณ์ที่มันค้างคาใจนั้นได้ก็นอกจากตัวเราเองที่ต้องจัดการด้วยตัวของเราเองเนี่ยตรงนี้ล่ะเราจึงต้องการที่พึ่งคือที่พึ่งตน้านจิตใจแล้วก็ที่พึ่งต้านจิตใจนั้นไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับธรรมะธรรมะเนี่ย เป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจที่เรียกว่าเป็นที่พึ่งอันกเกษมโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติเนี่ยถือว่าเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากทำมีอุปการะมากก็คือสติสัมปชัญญะเนี่ยเราจะต้องสแสวงหาให้มีขึ้นในจิตใจเรามากๆการสแสวงหาที่พึ่งนั้นเราต้องหาด้วยตัวของเราเอง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 จะหวังพึ่งคนอื่นก็ไม่ได้ด้วยต้องพึ่งตัวเราเองอันนี้จริงเรียกว่าเป็นการแสวงหาที่พึ่งเวลาเราปฏิบัติธรรมหรือเจริญสติเนี่ยเมื่อลดพบกับอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆเราก็ต้องแก้ปัญหาในตัวของเราเองแก้ไขอุปสรรคในตัวของเราเองคนอื่นเป็นเพียงแค่ผู้ที่ให้แง่คิดให้กาลังใจหรือ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 จะคู่จะเหยียดจะก้มจะเงยอันนี้เรียกว่าอิริยาบถ ย, ย่อยเราก็ต้องมีสติตามรู้ไปอันนี้ว่ารู้กายต่อไปก็คือรู้จิตรู้จิตทิ่จิตของเราก็ต้องมีสติตามรู้ลงไปที่จิตความรู้สึกนึกคิดต่างๆแล้วก็อารมณ์ต่างๆที่มา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 ต้องฝึกให้ชำนาญฝึกมีสติตามรู้กายรู้จิตให้จำนาญเราจะได้ไปไปฏิบัติที่ไหนก็ได้อุปมาหนักว่าเราขับรถไม่เป็นแต่ต่อมาเราฝึกจนขับรถเป็นเราก็ไปขับรถที่ถนนไหนก็ได้เราว่ายน้ำไม่เป็นเราฝึกจนว่ายน้ำเป็น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 เราไปเกิดพบชาติไหนก็ตามขอให้เราเจริญสติให้เป็นเราจะได้ทีพึงแล้ดูในปัจจุบันดูดีเถอะญาติธรรมคนที่ปฏิบัติธรรมไม่เป็นเจริญสติไม่เป็นในแต่ละวันชีิตปัจจุบันเนี่ยพอเจอปัญหานี่ก็ติดอารมณ์ออกจากอารมณ์ไม่ได้ออกจากอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์กลัววิตกกังวลอิจฉาเสยาียยะ ไม่มีสตินำจิตออกจากอารมณ์เหล่านั้นก็ติดอารมณ์ร่าไปจนนอนไม่หลับเป็นโรคจิตโรคประสาทเนี่ยเพราะขาดที่พึง่งคือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านฟังทุกท่านเนี่ยปฏิบัติให้เป็นทำให้เป็นเราจะได้ที่พึ่งนานจิตใจที่พึ่งทางจิตคือการเจริญสติ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 เป็นที่พึ่งเถิด